3.5 พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันวงเล็บเปิดยี่ิมีนาคม2551ัน25าในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที18วงเล็บปิดพวกเราแต่ละคนมีงานนะงานของเราที่แท้จริงก็คือทำอย่างไรเราจะพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏนี้ให้ได้นี่คืองานแท้จริงของแต่ละคนแต่ละคนแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราต้องทำงานอันนี้ฉะนั้นพอบรรลุเป็นพระอรหรันต จิตพ้นจากอาสวะนะชาจบแล้วนะพรหมจร์จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้เพื่อความหลุดพ้นนี้ไม่มีอีกแล้วทาครั้งเดียวไม่ต้องทาอีกแล้วนะพระไตรปิฎกก็จะบอกว่าท่านผู้นี้ก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกคำว่าพระอรหันต์อรหันต์นี่ไม่ใช่กายเนื้อที่เรามองเห็นในความเป็นจริงพระอรหันต์คือพาคี คืออันหนึ่งอันเดียวที่สมบูรณ์กับพระรัตนตรัยกับธรรมะส่วนพระอรหันต์ที่เห็นเป็นองค์องค์เช่นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรอะไรอย่างนี้อันนี้เราเห็นแต่รูปกายความเป็นพระอรหันต์ของท่านกับความเป็นพุทธะกับธรรมะเป็นอันเดียวกันใจเราจะเห็นถึงขนาดนั้นเราจะรู้ว่าพระอรหันต์หรือกระทั่งพระพุทธเจ้าที่เราเห็นเป็นองค์องค์นี่เป็นการปรากฏเป็นการแสดงตัวออกมาของธรรมะเท่านั้นเอง เป็นทางผ่านของธรรมะเพื่อมาสู่โลกของสมมติบัญญตัติเพื่อจะถ่ายทอดสิ่งซึ่งเหนือสมมติบัญญัติทําไมต้องอาศัยสมมติบัญญตัติเพราะว่าต้องถ่ายทอดให้กับคนซึ่งยังหลงอยู่ในสมมุติบัญญัตินะธรรมะเป็นของลึกซึง้งลึกสุดๆเลยถ้าเข้าถึงแล้วก็จะอัศจรรย์นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเอาไปตัดหัวแล้วให้บอกว่าพระพุทธเจ้าพูดไม่จริงก็ไม่ยอมนะไม่เชื่อเพราะเชื่อแน่นแฟนว่าท่านพูดจริงๆใครจะเชื่อนะ ใครจะนึกถึงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันใครจะนึกถึงว่ารูปกายของพระแต่ละองค์แต่ละองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระโกนทัญญาพระอะไรต่ออะไรเป็นแค่ทางปรากฏขึ้นมาของธรรมะแล้วสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นก็ชั่วคราวแล้วก็สลายไปแต่ธรรมะแท้ๆไม่ได้สลายไปด้วยฉะนั้นพวกเราต้องค่อยๆเรียนนะ